ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีทำรวมใจเข้ามาภายในให้ถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักการฝึก้นจิตตามธรรมดาจิตเนี่ยมันชอบคิดไปในเรื่องอดีตที่ลงมาแล้วมาเป็นอารมณ์โย บางทีมันก็คิดไปเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันคิดไปอยู่อย่างนี้เรื่องที่จะมาเพ่งดูจิตใจตัวเองอันเป็นปัจจุบันนี้นะมีน้อยเต็มที เว้นเสียแต่ท่านผู้ฝึกขนอบรมตอนมานั่นแหละจึงสามารถเพ่งจิตใจตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องคิดไปในอดีตอนาคตกำหนดรู้ กำหนดรู้จิตอันเป็นปัจจุบันนี้อยูห่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่มันมันรู้อยู่อย่างนี้นะอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าจิตหรือใจใอ้พึ่งเข้าใจก็จิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นของชีวิต เราจะไปเอาอะไรมาเป็นแก่นลองคิดดูให้ดีคนเราทำความดีอะไรก็ เ, รเพื่อให้จิตตรงนี้เป็นสุขสบายอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนะเนี่ยร่างกายนี้เราก็ดูแลรักษามันอยู่โดยลำดับมา โดยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นส่วนจิตใจในสีคนเรานะ่ะไม่ค่อยเอาใจใส่กับตัวเองใจมันดีมันร้ายอย่างไรก็ไม่ค่อยสนปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้น เหตุนั้นคนเรามันจึงทำชั่วได้มันจึงทำบาปได้เพราะเหตุว่าจิตใจมันเลื่อนลอยไปแล้วมันก็ไม่กลัวบาปเลยวันนี้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปอย่างนี้มันก็ไม่กลัวมันก็ยังฝืนทำอยู่นั่นแหละ มันไม่กลัวเพราะเหตุว่ามันไม่รู้ไม่เห็นลักษณะอาการของบาปกรรมด้วยปัญญาอันเป็นปัจจุบันเหตุทะนั้นมันถึงไม่กลัวนี่แหละถ้าผู้ที่เห็นลักษณะอาการของบาปกรรมในปัจจุบันนี้ได้ผู้นั้นก็กลัว ปาปังแปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวนี่เนี่ยะนั้นความโกรธอย่างนี้ก็ทำให้ใจเศร้าหมองขุนมัว น, นี่ถ้าลงไปทุบไปตีผู้อื่นไปฆ่าสัตว์อื่นให้ล้มให้ตายเข้าไปจิตใจมันก็ยิ่งเศร้าหมองขุนมัว เลื่อยไปไม่มีทางที่มันจะผ่องใสเพราะว่าบาปมันเกิดขึ้นแล้วในใจมันจึงเบียดเบียนบุคคลอื่นตัดอื่นได้ถ้าบาปไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นในใจอย่างนั้นมันเบียดเบียนผู้อื่นและตัดอื่นไม่ได้เลยดัยงนั้น ผู้ที่มากำหนดดูจิตของตนเองในปัจจุบันนี้มันจึงรู้จักได้ว่าบาปเป็นยังไงเมื่อมันรู้ลักษณะอาการของบาปอย่างว่านั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายในบาปแล้วมันนี้พอมันทำใจสมอง ถ้าใจเศ้าหมองแล้วก็หาความสุขไม่ได้เมื่อใจพองใสแล้วนั่นแหละถึงจะมีความสุขความสบาย<ม>ก็ให้คิดได้พากันเพ่งพิจารณาดูจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี่และมันมีบาปแทรกแทงอยู่หรือไม่หรือไม่มีมันก็รู้ได้นี่แหละ ไอ้เรื่องอิจฉาลิสยาเรื่องโกรธกันเกลียดกันนี่แหละนะับว่าเป็นกิเลสประจำวันคนเรานะ่ะไอ้เรื่องโลภที่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนนั้นมันก็มีน้อยอยู่หรอกแต่ความโกรธนี่สิมันมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งอยู่แต่ละวัน ไม่เรื่องหนึ่งกัเรื่องหนึ่งเทยั่วให้ใจหงุดหงิดเกิดความโกรธขึ้นมาอันนี้ถ้าผู้ใดไม่เพ่งดูจิตใจตัวเองนะ่ะก็มันไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่าตนสะสมความชั่วใส่ตัวว่าอย่างไรก็ไม่รู้ตัวแต่อย่างนั้น ตนหลงตนเมาในเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆในโลกนี้ก็ไม่รู้ตัวว่าตนหลงตนเมาอย่างนี้แหละการเมานั่นมันก็ไม่ใช่อย่างอื่นได้หรอกเมาในความรักเมาในความชังเมาในความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานา นี่นะคำว่าความหลงความเมาเนะี่ะมันไม่ได้หมายว่ามันหลงมันเมาอย่างอื่นหรอกถ้าลงรักใครขึ้นมาแล้วก็เอาเรื่องของพวกนั้นมาวิตกวิจารอยู่นั่นแหลเมื่อวิจารอะไรความรักมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปเป็นอย่างนั้น ไอ้ความชังก็เหมือนกันถ้าไปยึดถือเอาไว้แล้วเกลียดชังผู้ใดมันมักจะนึกถึงผู้นั้นบ่อยๆนึกถึงที่ใจละใจขุนใจมัวเข้าไปคิดอยากจะแก้แค้นทำลายล้างพรานอะไรไปอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่มีความเห็น ไปตามลทัทธิภายนอกที่เห็นไปว่าตนจะมีสุขหรือมีทุกข์ได้เพราะเหตุภายนอกมารดนบันดาลก็ลงก็เมาไป เ, ออเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ไปหาหมอหมอทองหมอธรรมอย่างนี้แหละให้หมอทำหน้าที่ให้อย่างโน้อนอย่างนี้ ให้เขาแนะนำให้ทำอย่างไรก็ทำตามแหละที่นั่นนะเอาแนะนำให้บวงสวงผีสางนางไม่อะไรก็ทำลงไปถ้าตัดชีวิตไปอย่างนี้นะอันนี้แหละเรียกว่าบุคคลถือเหตุภายนอกมาอำนวยความสุขหรือความทุกข์ให้ฉะนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาแล้ว อย่าไปหลงไปเมากับลัทธิดังกล่าวมานั้นอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาไม่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ทรงแสดงเลยมีแต่ทรงสอนให้ละเท่านั้นแหละเพราะว่าสมัยก่อนนั้นก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเขาก็ทํากันมาเมื่อพระองค์บังเกิดขึ้น มาแล้วพิจารณาเห็นว่ามันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เหตุดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ละให้เว้นดังพระพุทธภาสิต ท, ที่ทรงแสดงไว้ว่าบะหุงเวสรนังยันติปปัตตานิวนานิจจะอารามารุขะเจตยานิมนุษย์พยัตจิตา เนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตะมังเนตังสรณะมะกัมมะสับดุข้าพุตธิจิตซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลเหล่าใดเมื่อภัยมาถึงเข้าแล้วกลัวตายก็วิ่งเข้าไปหา ต้นไม้ใหญ่ภูเขาหรือว่าสารเจ้าต่างๆโดยเข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไปไหว้ไปอ้อนวอนบวงสรวงขอให้ภัยพิบัติ่านี้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านี้จงหายไปแล้วข้าพเจ้าจะบวงสรวงบูชา หน่วยหมูเห็ดเป็ดไก่ถ้าตนเองก็ไม่ได้ก็ใช้ให้ญาติคนใดคนหนึ่งไปแทนอันข้อนั้นน่ะไม่ใช่ทางอันกระเตมข้อนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกไปไม่ได้ โยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างคันจะสนังกะโตผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกจัดตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญาปัสสติและทั้งประกอบมารู้อริยสัจจะทรรมทั้งตี อันเป็นธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอตังโคสารนังแค่มังนั่นเป็นที่พึ่งอันเกษมเอตังสารณมุตตมังนั่นเป็นที่พึงอันอุดมเอตังสรณ ะ, ะมามัมมะเมื่อผู้ใดเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้ว สัพพทุกข้าปมุจจะตีติยอมพ้นจากทุกทั้งปวงไปได้ดังนี้พระพุทธเจ้า ท, ทรงแสดงไว้อย่างนี้แต่ครั้งนั้นนะก็เพราะว่าคนในครั้งนั้นน่ะนับถือแต่เทวดาอินพรหมเป็นที่พึง่งนับถือแต่วันดี วันดีคืนดีเคาะดีเคาะร้ายวันจมวันฟูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไปสะเดาะเคาะหาหมอมาสะเดาะเคาะผูกดวงอะไรพวก น, นี้พวกคนสมัยนั้นเนี่ยเขาทำกันมาแล้วพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นว่ามันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ เพราะองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสพาสิททิไว้ส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งทีลึกพร้อมทั้งมารู้แจ้งในอริยสัจจะ ท, ทรรมทั้งสี่นี่เป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมขอเหตุไรพระคุนดั้งสามนี่ ยึงเป็นที่พึ่งอันอุดอมเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้บริจุดบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสหน้อยใหญ่ทั้งหลายด้วย ท, ที่ทรงสร้างพระบา ร, รมีมานานสี่อสงไขยปลายแสนมากับพระบารมีเหล่านี้นแหละมากำจัดอาสวะกิเลส ในพระไทยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปไม่ใช่ว่าพราะองค์ละกิเลสขาดไปดื้อโดยไม่อาศัยบุญบา ร, รมีไม่ใช่อย่างนั้นนี้ถ้าหากว่าพราะองค์ไม่ได้สร้างบา ร, รมีสิบประการมาแต่ในอดีตการนูน้นพระองค์จะไม่ได้ตัดสู่สัมมาสัมโพธิญาณเลย เพียงแต่อ้อนวอนบวงสงวงนั้นไม่มีทางเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจเมื่อพระองค์ได้ละอาทวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วได้ตัดรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระธรรมที่พระองค์ได้รู้ขึ้นมานั้นก็รู้แต่เป็นธรรมอันบริสุทธิ์พุดพองหรือเป็นธรรมของจริง ฉันรู้แจ้งว่าสิ่งนี้เป็นบาปอย่างนี้ก็เป็นบาปจริงๆผู้ใดทําลงไปก็ให้ผลเป็นทุกข์แก่ผู้ทําได้จริงอย่างนี้รู้แจ้งว่าทำอย่างนี้เป็นบุญกุศลเมื่อผู้ใดลงมือทําตามปฏิบัติตามก็ย่อมเห็นบุญบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นโดยแท้เห็นด้วยตนเองเละอืม เพราะบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความเบิกบานใจนี่นะแต่เมื่อบนบุญเกิดขึ้นใน ใ, นใจแล้วใจหักเบิกหักบานคลงแค้วไม่ทุกข์ไม่โศกอืออย่างนี้บาปเกิดขึ้นใน ใ, นใจแล้วมันก็ครงกันข้ามอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทําใจเศร้าหมองขุนมัวไม่ไม่สบายใจเลย อันธรรมดาว่าคนเราจบว่าไม่สบายใจนั่นเนื่องจากว่าใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละบาปมันครอบงำเอามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมุรีพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดเลยนี่แหละยึงได้ทรงสั่งสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญนั่นแหละเรื่องมันน่ะแล้วก็ทรงแสดงให้ รู้จักอริยสัจจะทำทั้งสีคือให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ให้รู้จักความดับทุกข์ให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมักมีองค์แปดประการอืให้รู้จักทุกข์นั่นก็ให้รู้จักว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นทุกข์ พาออะไรยังเป็นทุกข์พมันไม่เที่ยงร่างกายทุกข่ตวนในล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นท่านพระพุทธองค์ยังทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละพอเกิดมาแล้วพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูฟูเสือแต่ยังอ้อนยังออกพอตนเองช่วยตัวเองไม่ได้ ก็เป็นภาระของแม่และสูย์มากนะที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกของตัวมีความเมตตากรุณามีความรักเอ็นดูอย่างยิ่งเลยจึงเลี้ยงลูกไงนะเพราะว่าลูกไม่รู้เรียงสาอะไรนี่ขี้กว่ี่ใส่ผ้าเยียวกว่าเยี่ยวใส่ผ้าอา้าแม่ต้องเอาไปซักไปพอกตากให้แห้ง เอาชุดอื่นมาใส่เข้าไปอยู่อย่างนั้นเลยนะแหมคิดดูให้ดีเนะี่ยกลัวว่าเราจะมีชีวิตมาได้ดนะี่นึกทบทวนดูให้ดีคุณแม่เลี้ยงมาแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงนะนี่แหละเมื่อเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้ว ก็ต้องแสวงหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองกแสนทุกแสนยากเหมือนกันออย่างนี้แหละถ้าไปมีครอบครัวตัวเรือนเข้าไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ขําไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ไม่ว่ากลางวันกลางคืนทําแต่การแต่งงานงานบางอย่างกลางคืนก็ต้องทําอย่างนี้อดตาหลับครับตานอนก็ไม่ว่า พอมาดึกถึงลูกกับเมียแล้วก็เอาแหละเมื่อลูกกับเมียอดอยากแล้วก็เดือดร้อนกันอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ควรรู้เมื่อรู้จักลักษณะอาการแห่งความทุกข์แล้วก็รู้จักตัณหาที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนั้น ท่าน ผ, ผู้เป็นนักบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสละบ้านเรือนออกบวชก็พอได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตัญหาขมทะเยอทยานอยากโดยประการต่างๆอันเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนเป็นเหตุให้ได้มีครอบครัว หลายผู้หลายคนขึ้นมาหมู่นี้มันก็ร่วงแต่เป็นมูลเหตุให้ทุกเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วนี่แต่ว่าคนไม่ชอบพิจารณาเฉยๆยอมเป็นทาาแห่งตันหาอย่างนั้นเรื่อยไปอ่ามันจะทุกข์อย่างไรเราก็สู้เพราะเราชอบมัน นี่แหละคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันจึงทามันจึงไปสร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบครัวตัวเรือนขึ้นมาได้ถ้าผูใ้ใดผู้มีปัญญามีบุญวาสนาได้พิจารณาเห็นว่าความอยากนี่มันก่อให้เกิดทุกข์นาประการดังกล่ามานั้นแล้วเมื่อหน่ายในความอยากอันนั้นไม่ยินดีที่จะตกเป็นทาสของมัน พู้เช่นนั้นแล้วก็มักจะหนีออกบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เจริญองอกงามขึ้นในจิตใจให้เต็มความสามารถทีเดียวขยันมันเพียรไม่มีท่อมีถอยเอา้าททำอย่างไรศีลเราจะบริสุทธ นั่นศินของครือขัดผู้เป็นครือขัดก็ต้องทำสินของตนให้บริสุทธิ์อย่างนี้แหละผู้เป็นบันปะชิตก็ต้องสำรวจดูวิธนที่ตนบวชเข้ามาแล้วจำเป็นต้องรักษ า, าต้องเรียนต้องรู้แล้วก็ต้องกรวจดูอาการกายวาจาของตนเสมอ ว่าตนได้ล่วงศึกษาบทวิัยหรือไม่หรือไม่ได้ล่วงหากตนได้ล่วงอย่างนี้ล่วงเพราะอะไรก็สืบสาวไปแล้วตนนึ ก, กว่าเป็นบาปไหมตนได้ล่วงวิในัเนี่ะบางพระบางรูปบางล่างนั้นไม่ไม่นึ ก, กว่าเป็นบาปนะมันถึงล่วงเยู่ยงนั้นนะ่ะอืม ถ้าผู้ใดระลึกว่ารู้ว่าเป็นบาปเป็นโทษแล้วไม่จับไม่ร่วงเลยนี่เป็นอย่างนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้แหละการที่บุคคลจะมีศีลมีวินัยอหยดเยี่ยมต่อไปแต่พะเห็นว่าพระพุทธองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นแล้วพระองค์ย่อมเล็งเห็นแล้วว่ามันเป็นบาปเป็นโทษถ้าผู้ใดร่วงเกินไป อย่างนี้จึงได้บัญญัติห้ามไว้ทีนี้ถ้าใครไปล่วงเกินเข้าไปทำเข้าไปมันก็ต้องเป็นบาปเลยเพราะพระองค์รู้แล้วว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอ่ะก็ให้พากันเข้าใจว่าการที่เราจะมีศีลมีวินัยดีงาม บริสุทธิ์ฟุดฟ่องได้ก็เพราะเห็นโทษว่าเป็นโทษจริงๆเกิดความละอายแก่ใจเกิดความกลัวว่าไอความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปอย่างนี้แต่ธรรมดารการทำบาปนี่นะจะเป็นเพศได้ก็่ช่างเมื่อทำลงไปแล้วมันกัดเฉยๆไปอย่างนั้นแหละมันยังไม่ให้ผลนี้เรื่องมันไะ เช่นค่าสัตว์ชีวิตพวกนี้นะอาค่าลายวันนะค่าต้มแกงกินอยู่ยนั้นแล้วก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรอืนี่แหละคนเรามาช้าใจตรงนี้เองนะมีแต่ค่ากับค่าแล้วก็ก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายมาอยู่นี้ออมันเป็นอย่างนี้แม้การทําผิด ด้วยข้อห้ามอื่นๆก็เหมือนกันเลยทําไปแล้วก็เฉยเหมือนก็ไม่ได้ทาชั่วไม่ได้ทําบาปอะไรเลยนี่นะแท้ที่จริงแล้วบุญกุศลที่ผู้อื่นผู้นั้นทํามาแต่ก่อนนะมารักษาชีวิตร่างกายสังขารนี่อยู่เพราะฉะนั้นบาปที่บุคคลทําในปัจจุบันเนี่ยมันจึงให้ผลเป็นทุกข์อย่างไม่ได้ก่อน เพราะบุญคุ้มครองอยู่ร่างกายจิตใจอันนี้นะ่ะให้เข้าใจบัด น, นี้เมื่อบุญอันนี้มันหมดอายุลงแล้วบาปที่มันคอยจะให้ผลอยู่นั้นมันก็ให้ผลสืบต่อผู้นั้นก็ได้เสวยทุกขเวทนาในอย่างไรก็อย่างหนึ่งถ้ายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่นะก็เห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวผู้ทาบาปมากๆ เช่นค่าหมูขายเลี้ยงชีพอย่างนี้นะเวลาเจ็บหนักจนจะตายนี่ก็ร้องเหมือนเสียงหมูปาะนั้นละกรรมมันบันดาลเอานั่นเรียกว่าบุญที่เขาทำมามันหมดลงแล้วบนริบาปบาบมันแทรกซึมเข้าไปมันให้ผลแล้วมันจึงแสดงออกมาอย่างนั้นนี่นี่ยการ ที่บุคคลมาพิจารณาให้เห็นบาปว่าเป็นบาปให้เห็นโทษว่าเป็นโทษให้เห็นบุญว่าเป็นบุญจริงๆอย่างนี้แหละผู้นั้นก็ละบาปได้เห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆเนี่ยก็ละบาปได้เลยอันที่มันละไม่ได้นั่นเรื่องจากว่ามันไม่เห็นว่าบาปนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเ่ย เนี่ยสำคัญอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนาะเน่ะควรพากันพิจารณาให้เห็นลักษณะอาการของบาปดังกล่าวมานั้นแล้วให้รู้ว่าบาปนั้นเมื่อเวลาบุญยังให้ผลต่อชีวิตร่างกายสังขารในอยู่บาปก็ยังให้ผลไม่ได้ มันจะให้ผลได้ต่อเมื่อบุญหมดลงต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็กลัวและกลัวบาปแล้วบดนี้กลัวบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปถึงในปัจจุบันนี้มันไม่ให้ผลแต่มันหาได้หมดไปไม่บาปที่บุคคลทำนั่นแะมันติดสอยห้อยตามอยู่อย่างนั่นแหละ เพราะว่าได้ช่องเมื่อใดบุญเก่าหมดลงเมื่อใดแล้วก็เอาหละมันจะเข้ามาเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจของคู่นั้นแล้วแบบนี้นะอ่ันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหละพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะจึงชื่อว่าเป็นสันสติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหามัน มีอวิชชาเป็นเพื่อนตัณหาความไม่รู้นั่นครอบงมจิตแล้วก็ทำให้เกิดความอยากไปนานาประการแม้อยากทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่กลัวอไม่กลัวว่าบาปนั้นมันจะทมสนองให้เป็นทุกข์ก็เลยทำลงไปอย่างนี้นะมันมีอวิชชาความไม่รู้นั่นแหละสนับสนุนตัณหาความอยาก ให้คนเราทำความชั่วในโลกนี้ น, นี่มันเป็นยาง้นทีนี้เมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบลงไปอบปรมปัญญาให้เกิดขึ้นนะหยิบยกเอาเรื่องบาปทรรมต่างๆเรานั้นมาพิจารณาหยิบยกเอาตัณหาความทยานอยากเหล่านั้นมาพิจารณา เข้าไปอย่างนี้นี่มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าเออตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้คนเราทําบาปทากรรมนําให้ชีวิตเป็นทุกข์ไปในสงสารอยู่นี่เอาละวันนี้เราจะละความอยากความอยากอันใดจะเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเราจะละเราจะไม่อยากนี่เมื่อสอนใจเข้าไปอย่างนี้แล้วความไออยากที่จะให้เป็น ทำบาปทำกรรมแ้นมันก็หลังงับลงทุกในอบายภูมิทั้งสี่เราก็พ้นได้เมื่อตายลงไปก็ไม่ได้ไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ารลังับตัณหาประเภทนั้นเสียจแล้วมันก็ไม่ทำบาปนี้เรื่องเป็นยังนยังตัณหาที่พาให้เที่ยวเกิดเทีเ่ยวตายไปในใสงสาร อันนี้มันก็ไม่ยากลําบากเท่าไหร่นะว่าแต่ละตัญหาส่วนย่ำยากอยากให้ขันห้านี้เป็นทูกไม่อยากให้แกเจ็บตายง่ายๆอันนี้จเจตเดชแสวงหาอะไรต่ออะไรมาบำลุงปนเปื้อมอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ถึงกําได้ไปทําบาป แต่กระดินลนสแสวงหาลาภหายทธาความร่ำรวยอยู่อย่างนั้นหันว่าทำบุญทำทานก็หวังให้อานิสงส์แห่งทานเหล่านี้ให้ตนได้รวยทรัพย์สินเงินทองเข้าของไม่อดไม่อยากอะไรใจมันก็น้อมไปอย่างนั้นนะแล้วทำความดีลงไปบุญกุศลก็ตกแต่งให้จริง ตกแต่งให้เกิดมาแล้วมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายไปเป็นเทวดาก็ไปหลงไหลติดพันอยู่กับสมบัติอันเป็นทิพย์ไปกำนัดยินดีอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั่นแหละวันนี้อย่างนั้นแทนที่จะพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนพิจารณาไม่ได้เพราะว่าตัณหามันครอบงำจิตใจ ไปแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วมันเป็นยางน้นเราเทวดาไม่ใช่ว่าเหมือนกันทั้งหมดนะท่านผู้ปฏิบัติธรรมไปแต่ในมนุษย์นี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยังยืนเห็นสิ่งแวดล้อมชีวิตอันนี้ได้แก่ทรัพย์สินเงินทอง ญาติพี่น้องผัวเมียลูกเต้าอะไรก็ทำและวล้วนแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แต่เป็นมนุษย์เนี่ยแต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบันเมื่อหมดอายุสังขารลงบุญกุศลนี่ก็นำไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวมุตผู้ชายนะ่ะ ผูญิงเป็นเทวดาเมื่อได้เป็นเทพบุตรเทวดาแล้วก็ไม่ลืมตัวเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นก็ไม่ไม่หลงพิจารณาได้ว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้จะละเอียดประณีตบรรจงถึกเท่าไหรก็ตามก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอง น, นี้แล้วมีความ เกิดขึ้นแล้วก็มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมันจิตใจรู้พิจารณารู้ได้เห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่หลงยินดียันร้ายกับสมบัติอันเป็นทิพนั้นเพียงจะอาศัยอยู่เท่านั้นเองแล้วพอได้บำเพ็ญภาวนาไปในสวรรค์นั่นแหละนั่นผู้ใดแต่เป็นมนุษย์นี่อื ขยันหมั่นเพียรไหวพระภาวนาจเจริญไตรลักษณะญาณอยู่เสมออย่างว่านี่แหละมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไปจเจริญภาวนาสืบต่ออยู่ในภพนั่นชาตินั่นเนยเหตุ น, นั่นนในประวัติที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมโปรด พุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายนั้นเมื่อแสดงพระอภิธรรมจบลงกังนหนึ่งๆ เ, เทวดาได้บรรลุมรขผลนับเป็นโกรธๆนับหลายโกรธก็มีนี่เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเทวดาวางพวกแต่เป็นมนุษย์นี่ได้ฝึกฝนอบรมตนเจริญธรรมถา่ายุปัสนาดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง เป็นอุปนิสัยติดตามไปท่านเหล่านั้นไปเจริญสมถายวัฒนาอยุบนสวรรค์เมื่อเอ็นซีมันแก่กล้าเข้าไปแล้วพระพุเทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์งหนึ่งมาตัดสรู้ในโลกแล้วก็สเสด็จขึ้นไปจำพรรษาในดาวริงเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพุท ธ, ธามานดาสนองพระคุณของท่าน ถ้าที่ท่านเลี้ยงมาด้วยข้าวป้อนและน้ำนมมาพราะองค์พิจารณาเห็นว่าพระอภาิธรรมนี่แหละสามารถที่จะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาได้และเทวดานั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาว่องไวแหลมคมเพราะว่าเป็นผู้มีบุญมาก เมื่อพระ อ, องค์แสดงพระอภิธรรมนี้ให้ฟังเทวดาเหล่านั้นก็รู้ได้เข้าใจได้แต่มนุษย์นี่มันมีน้อยที่จะเข้าใจได้พระอภิธรรมนั่นนะมีน้อยที่จะจําได้ก็เพราะเหตุว่าในความเป็นอยู่มันหยาบมันละเอียดต่างกันนั่นเองเนี่ยเทวดามีลูกละเอียดเมื่อมีลูกอันละเอียดแล้วก็มีสติปัญญาละเอียดละออได้ นั่นแหละเรื่องมันนะจึงสามารถรู้อภิธรรมเป็นธรรมอันทุกขลุ่มลุ่มลึกได้นี่แหละให้พากันเข้าใจไอเทวดาพวกใดเป็นมิจฉาทิฏฐิทำบุญโยน์แต่ว่าพวกที่ไม่เชื่อพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีนะแต่เขามีศีลเขาไม่ทำบาทแต่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาทำบุญทำทาน แต่เขาไม่ได้ภาวนาเมื่อเขาละโดกนี้ไปแล้วบุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการนักษาสินก็พาเขาไปเกิดบนสวรรค์แต่เขาก็มีความเห็นผิดอยู่เหมือนเดิมเหมือนแต่เป็นมนุษย์นี่แหละความเห็นผิดก็สิ่งภายนอกนั้นมาช่วยตนให้ตนมีความสุขความเจริญได้ดังกล่าวมาแล้วนั่นะ เทวดาจำพวกนั้นไปฟังพระพิธรรมคำสอนมอุทธเจ้าอันละเอียดละออยอย่างนั้นสัไม่สามารถจะบรรลุมรคนมวิเศษได้คงได้แต่ความเชื่อความเลื่อมใสเท่านั้นเองนะบารีพระสงฆ์สาวกของมุวิพิาคเจ้าที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยคำสอนมุธเจ้าแล้วนั้นก็ เป็นบุคคลที่มีอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วก็มีที่ยังเหลืออยู่ก็มีแต่ว่าท่านที่บรรลุโลกรรตธรรมนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระองค์เจ้าทรงนับเอาเป็นสาวกของพระองค์คือว่าเป็นผู้ที่จะได้บรรลุพระนิพพานโดยตรงต่อไปไม่มี เป็นของแน่นอนเรียกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่บิดผิวไม่เลวไหลชีวิตของโสดามันนะแน่ที่จะได้บรรลุพระนิพพานไม่เกินเจ็ดชาติอย่างอย่างนานอย่างกลางก็สามชาติอย่างน้อยก็ชาติเดียวนั่นแหละเพราะองค์พระอรหันต์นั้น ท่านเป็นผู้ทําอาศวะกิเลสให้หมดสิ้นไปพระโสดาสกิตาคาอนาคาทํากิเลสให้ขาดไปจากสันดานโดยเอกเทศตามกําลังแห่งอริยมรรคที่ท่านได้บำเพ็ญได้เกิดมีขึ้นพระโสดาบันตายแล้วไปเกิดสวรรค์เอเนตธรรมราท่านกล่าวว่าสูญมากไปเกิดสวรรค์ท่านดูสิ พระจกิทาคาก็คงเหมือนกันแต่พระอนาคามีหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ไปเกิดพรหมโลกชั้นสุทาวาสสุทาวาสแปลว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์หมาเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะท่านพระอนาคามีท่านก็ยังคล่องอยู่แต่ในขันธ์ห้าอันนี้หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่ กรรมคุณเมถุนสังโยชน์อะไรนั้นทันละขาดไปแล้วด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคดังนั้นเมื่อท่านไปเกิดในสุทัาว์พรหมโลกและดนั้นท่านกดไปเจริญสมถาวิปัสสนาอยู่ในพรหมโลกนั่นเองโฉนมากแลยว่าท่านเจริญวิปัสสนานนไรไว้สมถะ น, นั้นมีอยู่แล้วจิตใจของท่าน ตั้งมั่นอยู่แล้วจเจริญวิปัสนาไปในตำรากล่าไวไ้ว่าบางท่านก็ถึงกลงกลางอายุก็สำเร็จอรหัตตาผลดับขันเข้าสู่พันิพานไปเลยบางท่านบางองค์ก็จเจริญภาวนาไปชวนจวนว่าอายุใกล้จะหมด ถึงค่อยได้บรรลุอรหัตตผลก็มีอย่างนั้นบางพวกก็ จ, จะเจริญภาวนาไปจนว่าใกล้จนเจนจะหมดอายุสังขารน่ น, นแหละถึงได้บรรลุอรหัตตผลดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปตามาพระพุทธเจ้าได้นี่เรื่องราวของพระอนาคามีอันนี้เนะ่ะเพราะฉะนั้น ให้พากันจำเอาเรื่องราวของพระษาวกหลบโดยที่เล่ามาโดยทั้งเขมนี่ไว้เป็นอารมณ์เครื่องเตือนใจของตนเพราะในฐานะเราก็เป็นปฏิญญาตนเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วดังนั้นแหละ เราจึงต้องพยายามปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถเมื่อไม่ได้บรรลุมรคผลอย่างนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าให้ได้บรรลุมรคบรรลุผลในข้างหน้าต่อไปอันนี้นะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องคิดพิจารณาให้เห็นขึ้นมาด้วยตนเอง อันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ได้บรรลุอริยสัจจะธรรมทั้งสี่นั่นนั่นสิวะได้สีพึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอนุรม์มันก็กเกษมอุดรมสิเพราะว่าผู้ที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลท่านละกิเลสตัณหาอาสวะน้อยใหญ่ที่จะนําจิตของท่านไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ท่านละหมดแล้ว อ, อย่างงี้แหละตัหาความทยานอยากโดยการทางพวงท่านก็ละหมดแล้วอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงว่าได้ที่พึ่งอันกเกษมอันอุดมแม้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีทุกข์ร้อนอะไรจิตใจจะมีลาบเสืิมลาบมียศ เ, เสริมยศมีสรรเสริญมีนินทา มีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาในโลกกระรทมนี้ทั้งสี่คู่แปดอย่างนี้ท่านก็ไม่วันไหวเพราะว่าจิตใจท่านหลุดจากโลกนี้แล้วอยู่โดยเอกเทศแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละชาวพุทธเราทั้งหลายต้องให้พากันแสวงหาที่พึ่งอันกเกษม จะแหว่งหาที่พึ่งอันอุดอมให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนจึงจะสมกับว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ฉลาดผู้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นอเราเป็นบริษัทของพระองค์นะ่ะจะให้เกิดความเห็นผิดไปต่างๆนาน า, นาทำผิดพูดผิดไป จากทานองครองทำคําสองพระเจ้าไม่สมควรเลยให้เข้าใจอย่างนั้นสมควรที่เราจะต้องเป็นสัมมาทิฐิมีปัญญาเห็นชอบเลยเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วการทําดีมันก็ต้องมีความสุขเป็นผลตามกําลังแห่งความดีที่บุคคลผู้นั้นทําลงไปเพราะความ ความดีคำเดียดนี่เนี่ยมันมีความหมายจนถึงพระนิพพานนุ่นอืมบุคคลใดเป็นผู้ที่มั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้แล้วนั่นเนี่ยแน่นอนเนี่มีมีหวังที่จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานถ้าเป็นผู้ไม่หลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาอย่างว่านั่นนะ เนี่ยเพราะฉะนั้นนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้น้มเข้าไปคิดไปตรองดูในกายในจิตนี่นะก็เคยแสดงเรื่องความทุกขโดยย่อให้ฟังความทุกขโดยย่อก็มีอยู่สองอย่างทุกกายหนึ่งทุกใจหนึ่งอย่างนี้นะใครจะปฏิเสธได้แล้วว่า ร่างกายนี้มันไม่เป็นทุกข์อ่ะอดทิศเสีไม่ได้เลยเพราะต้องหาเลี้ยงมันบำรุงมันอยู่อย่างนี้ทุกวนันทุกวันมันยังค่อยตั้งอยู่ได้ถ้าไม่หาอาหารหล่อเลี้ยงมันนี่มันแตกดับไปนานแล้วร่างกายอันนี้นะนี่แต่จึงว่ามันเป็นอยู่ด้วยอาหารกับบุญกุศลที่ได้ทํามาแต่ก่อนถ้าบุญ ที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงอาหารก็รับประทานไม่ได้แบบนี้นะอะก็มีแต่ตายลูกเดียวนี่ไอ้ทุกข์กายเป็นอย่างนี้แหละมันต้องได้รักษาดูแลคนเปือ่อยู่อย่างนั้นไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่ต้องเลี้ยงมันไม่ต้องหาอะไรมาหล่อเลี้ยงมันก็อยู่ได้อย่างนั้นหาม่ได้เลยอืมทุกข์ใจแบบนี้ ทุกใจพ่อใจไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาสามารถที่จะละตัณหาความอยากนีให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจนี่ได้นี่แหละว่ากันเอาย่อๆเลยทีเดียวทำไมใจยังเป็นทุกข์ก็เพราะใจมีความอยากเอ า, าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่ยวยอยากให้มันหาย จากการเจ็บการป่วยทีนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็ น, ป น, ป น, ปนทุกข์โทมนั่นแหละแบบนี้นะกลัวตายก็กลัวตายเพราะว่ามันใจมันอะไรอยู่ในรูปกายอันนี้นี่เรื่องมันนะคงไม่ตกวางไม่ลงอ้อาตัณหาอยากให้ร่างกายนี้มีอายุอยู่ยั่งยืนนานพร้อมด้วยเงินทองเข้าของลาบยศสรเสริญ อาคารบ้านช่องอยู่อย่างสบายสบายนี่เป็นตัญหาของมนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังนั้นแล้วมันก็มีแต่ทุกขโทมนัสเท่านั้นเองเพราะว่าแต่ชาติก่อนตนไม่ได้ทํากุศลคุณงามความดีมามากอย่างนี้นะ แล้วเกิดมาชาตินี้เห็นคนอื่นเขาร่ำรวยมั่งมีตนก็อยากให้ล่ำรวยมั่งมีเหมือนคนอื่นเขานั้นสิ้นแสวงหาเงินทองเข้าของหาเท่าไรมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่รวยเพราะว่าบุญกุศลหนหลังไม่ได้หนุนซองเช่นนั้นนะมันถึงไม่ไม่รวยให้เข้าใจถ้าหากว่า ไม่ต้องอาศัยบุญกุศลหนุนหลังหนุนส่งอันนี้ทุกคนมันก็รวยหมดสิเพราะว่าทำงานเหมือนกันนี่ไมช่ไม่ททำงานน่ะทำงานกันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่รูเรียงสามเป็นมานุษย์อมจนว่าเท่าว่าแก่บางคนก็ยังทุกจนอีกต่านะอย่างนี้แหละ ก็เพราะเหตุว่าบุญกุศลนุนหลังเนะ่ตนไม่ได้ทำมามากมันไม่ได้มาหนุนส่งให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศเป็นต้นนี่นี่แหละควรพากันพิจรารณาไม่ควรจะไปเห็นไปว่าเฮ้อพูดอะไรก็อ้างเอาแต่บุญได้หนนหลังปัญญาความสามารถในปัจจุบันนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเหลออย่างนี้ ก็เหตุผลดังกล่าวมานั่นจะเป็นเครื่องลบล้างความเห็นที่ว่าอาศัยแต่ปัญญาในปัจจุบันเท่านี้แหละทำให้คนเราล่ำรวยมั่งมีอย่างนี้น ะ, อะลองมาวินิจฉัยกันดูซิบะเ น, นี่ยนี่ต่างคนก็ตั้งเรียนวิชาความรู้เหมือนกันนี่บางคนก็ได้ถึงด็อกเตอร์นั่นไม่เห็นมันล่ำรวย ได้ถึงขั้นเป็นเศรษฐีไม่มีอะบางคนลงจนท่ำก็มีอย่างนี้นะถ้าวะอาศัยปัญญาเรียนรู้วิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันนี้ทุกคนมีปัญญาอย่างนี้เป็นจำนวนมากเพราะเรียนกันทุกปีทุกเดือนไปแต่แล้วคนจนมีอยู่มากมายแล้วเกิดอหไคิดดูอ่ะนั่นแหละ แต่ว่าอาศัยปัญญาในปัจจุบันนี้มันคนน่าจะทำความร่ำรวยให้แก่ตกัวเองได้มากมายกายกองคนที่เกิดมาในโลกนี้ทีนี้เมื่อพูดถึงอันนั้นเป็นโลกิยทรบันนี้โลกุตราทรบนะนั่นเน เอายกตัวอย่างเส้นครัง้งพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะอผู้ดใดเกิดไปในสมัยนั้นน่ะได้พบพระพุทธเจ้าแล้วมันน่าจะได้รู้ธรรมของจริงน่าจะได้มรุกมรคนทำวิเศษไปกันหมดเลยอย่างนี้แต่ในตำรากล่าวว่าบางท่านบางองค์บวชเข้ามาแล้วอยู่ไปจนตลอดชีวิตก็ไม่ได้มรด้ผลอะไรเลยก็มีอย่างนี้นะ แต่บางท่านก็ได้เพียงแค่โสดาบัณกฆหมดอายุไปบางพวกก็ได้สกิตาคาบางพวกก็ได้อนาคามีตามบุญวาสนาที่ตนได้ทามาแต่ก่อนบางพวกก็ได้สำเร็จอรหั ต, ตผลดับขันเขาสูนิพานไปนั่นแหละเป็นเครื่องแสดงอีกแล้วว่าท่านผูใ้ใดเป็นผู้สร้างบุญบารมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วในชาตินั่นน่ะ ได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาลงไปแล้วก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้ในชาตินั้นเลยก็เพราะว่าท่านสร้างบุญบารมีมาเต็มแล้วนี่ก็ไม่มีอันจะสร้างต่อไปอีกแล้วกิเลสก็ละหมดสิ้นแล้วอย่างนี้นะ เมื่อกิเลสละหมดละไปหมดทิ้นไปแล้วบุญบา ร, รมีก็ดับไปตามกันนั่นก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นเองนะจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนามีอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนในคนเราสร้างบุญสร้างบา ร, รมีนั่นน่ะกระเพาะก็ให้บุญบา ร, รมีเหล่านี้แหละช่วยกาจัดอาสะวะกิเลส อันตนได้สะสมมาไว้ในใจนี่มาในสงสารนี่ขน า, นานับชาติไม่ทวนแล้วตนละมันไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าตนมัวมอประมาทไม่ได้สร้างบุญกุศลยอมตกเป็นทาา ข, ของกิเลสธหามาอย่างนั้นถึงทําบุญกุศลกระทาไม่มากนิดนิดหน่อยหน่อยไปเมื่อเวลาทําความชั่วทําบาวนั้นทํามากนี้นะและเช่นนี้มันจะให้ กิเลสมันหมดสิ้นไปได้ยังไงบะนี่ลองคิดดูให้ดีนั่นแหละผู้ที่ท่านสิ้นอาสวะกิเลตไปได้นั้นก็เพราะท่านไม่ทำบาบะนี้ท่านรู้ตัวนะในในอดีตชาติถุนหลังอธิษฐานใจละเว้นจากบาปโดยเด็ดขาดลงไปเลยตั้งหน้าสังสมแต่บุญแต่กุศลไปอย่างนี้นะ บุญกุศลมันก็เต็มเร็วสิมันเอตั้งใจสร้างแต่บุญกุศลบาปไม่ทำมันไม่มีบาปมาแทรกแซงบุญกุศลทํามาเท่าไหร่ก็มีอยู่ทอนนั้นมีอยู่ในจิตใจนี่แหละไม่สูญไม่หายไปไหนเลยใจก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่ออย่างงี้นะบุญกุศลคุณทั้งหลายมันก็มากขึ้นโดยลําดับลาดับไปอ เมื่อบุญกุศลเต็มแล้วเขาก็บันดาลให้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือว่าไปเกิดในร่วมศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างเช่นพุทธศาสนิกชนได้เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก เมื่อได้พบแล้วผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถสำเร็จสาเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างที่ในตำราที่พระองค์เจ้าทงพยากรไว้นั้นเมื่อพระองค์ดับขันปริพันธ์มาแล้วนั้นขันปีแรกนั้นมีผู้ปฏิบัติตามสินสมาธิปัญญา นี่ได้บรรลุมรรคผลอรหัตอรหันพร้อมด้วยปฏิสัมจะตุปฏิสัมพิทายานฉลปิญโยเตวิชโชมีฤทธมีเดชต่างๆยังมีอยู่ในพันธุแรกที่พระองค์ปริพพาิมาแล้วนันนะพันปีแรกนั่นทีนี้ในพันธุที่สองท่านผู้มีฤทธมีเดช มีคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นหมดไปไปนี่นะก็ยังเหลือแต่พระอราหันต์ที่ท่านให้นามว่าสุขวิปัทสโกแปลว่าผู้เจริญวิปัสสนาล้วนสามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจได้ก็ยังมีอยู่พันที่สองนี่นะเป็นอย่างนั้น เมื่อท่านท่านทอาศาวัคกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วคุณพิเศษต่งางๆเหล่า น, นั้นไม่มีหเห็เนห่ะเหินเดินอากาศได้รู้อดีตอนาคตเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีคุณพิเศษเหล่า น, นั้นไม่มีในพระอรหันต์จำพวกทุกขวิปัสสะโกอ่เป็นอย่างนั้นเมื่อเมื่อพระอรหันต์จาพวก สุขวิปัสสโกมีพระอนาคามีพระสะกิทาคาพระโสดาบันก็ต้องมี เ, ออเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่ อ, อย่างข้าพันที่สามพระอาราหันต์จำพวกทุขวิปัสสโกก็หมดไปก็ยังเหลือแต่พระอนาคามีพระสะกิทาคาพระโสดาบัน น, นีพันพันพระองค์ปริพานธ์มาได้พันที่สามนะนี่นะนี่แหละ เอาถึงพันที่สี่ปานี้พระอนาคามหมดไปยังเหลือแต่พระสกิทาคากับพระโสดาบันนี่เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาพระธรรมคำสองพุทธเจ้ายังอยู่ในพันที่สี่นี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นยังไม่หมดยังมีผู้เรียนผู้จำยังมีผู้ปฏิบัติตาม มีอยู่แต่ว่าคงไม่มากหรอกเป็นอย่างนั้นทีนี้พ อ, อย่างเข้าพันที่ห้าบนี้อ้พระสกิตาคามีหมดไปเหลือแต่พระโสดาบันนี่หมายความว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าในพันที่ห้านี่โดยความไม่ประมาทยังสามารถบนบรรลุพระโสดาปฏิผล เป็นอริยบุคคลได้อยู่เป็นอย่างนั้นมานี่ต่อไปต่อไปนี่ในพันที่ห้านั่นเละพระโสดาบาันนี่ก็หมดไปหมดไปละก็ยังเหลือแต่พระธรรมดาสามัญแล้วก็หมดไปหมดไปเสื่อมไปยังเหลือแต่ในที่สุด ความจําในธรรมวินัยก็หมดไปผ้าเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็หมดไปเอาแต่ผ้าเหลืองมาเย็ยบเป็นปอกใส่แขนไว้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นพระมีลูกมีเมียไปแล้วบันนี้นะออนานเข้านะเข้าลําคาญเอาปอกแขนนี่เอาถอดทิ้งไปเสียแล้วทําเป็นบ่วงน้อยๆเอาผ้าเหลืองมาทําเป็นบ่วงน้อยๆห้อยหูไวบ้บันนี้ เป็นเครื่องหมายว่าเป็นพระแต่มีลูกมีเมียแต่เมื่อผูใ้ใดทำบุญทำทานกับพระเหล่านั้นก็ยังว่าได้บุญอยู่นี่ว่าตามตารานี่แหละโลกอนิจจงนะ่ะบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายนะั้เป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วแปร่โพนแตกดับไปเป็นธรรมดาฉังนั้นพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้มันก็ยังอยู่ใน ระหว่างที่พระองค์ปรินิพานล่วงมาแล้วพันที่สองกึ่งกลางพันที่สองนี่หนึ่งนี้ว่าสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือว่าสมควรที่จะปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาสำหรับผู้ครองเลือนให้เต็มความสามารถขอ ง, องนตนทุกตน ถ้าบุญวาฒนาอำนวยให้ก็สามารถที่จะได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษได้ตั้งแต่พระอาราหันตุขวิปัตสโกไปจนถึงพระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดาบันยังสามารถที่จะบำเพ็ญให้เกิดให้มีได้อยู่ตามตำราที่พระองค์เจ้าทรงพยากรณ์ไว้